ผู้ที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์อาจารย์สิริได้ถามต่อไปอีกว่าอุ้ที่ตายในสงครามซึ่งจะต้องมีการฆ่ากันเป็นการกระทระาําปานาติบาศก็ดีและบางคนแม้จะยังไม่ทันฆ่าใครตายแต่ตัวเองถูกเขาฆ่าตายเสียก่อนก็ดีบุคคลเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีเจตนาในการฆ่า อยากทราบว่าคนที่ตายในสงครามในลักษณะเช่นนี้คือทั้งที่ได้ฆ่าเขาหรือยังไม่ทันได้ฆ่าเขาก็ตามเมื่อตายในระหว่างสงครามจะมีใครมารับหรือไม่เขาจะไปสวรรค์หรือนรกหรือว่าจะเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ในโลกมนุษย์หรือในบริเวณที่ถูกฆ่าตายท่านฤษีสลายกัสซึ่งเป็นโอปปาติกาที่ติดต่อในครั้งนี้ตอบว่า คนที่ตาในสงครามโดยปกติมีพวกโอปปาติกะมาคอยรับอยู่มากมายเพราะเมื่อสงครามเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นั้นพวกโอปปาติกะจะรู้ล่วงหน้าก่อนที่สงครามจะเกิดซื้อด้วยซ้ำไปและเขาก็รู้ว่าจะต้องมีคนตายมากมายในสงครามเพราะฉะนั้นพวกโอปปาติกะที่มีหน้าที่มาคอยรับจะมารอคอยอยู่ก่อน ซึ่งบางคนพอตายก็มีผู้มารับไปสวรรค์ทันทีแต่บางคนก็มีผู้มารับไปนรกและบางคนก็ยังเที่ยวเพ่นพานอยู่ในบริเวณนั้นหรือไปเที่ยววนเวียนอยู่ตามบ้านญาติพี่น้องการที่บุคคลบางคนแม้จะตายในสงครามแต่ก็ได้ไปสวรรค์ น, นั้นเป็นเพราะคนเหล่านี้แต่เดิมเป็นคนมีบุญจิตใจสูงเป็นคนมีคุณธรรม และที่ไปทำการรบก็เป็นการรบเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตัวเองมีน้ำใจเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้อื่นทหารที่ตายในสงครามในลักษณะเช่นนี้เมื่อตายแล้วจะมีโอปปปาติกาที่เคยเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนหรือที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะมาคอยรับจะเป็นผู้พาไปส่วนทหารที่จิตใจต่า มีแต่ความโหดเหี้ยมเห็นแกตัวบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วจะมีผู้มารับไปนรกทันทีแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใครมารับนั้นเป็นพวกที่มีบาปไม่มากพอที่จะลงนรกแต่ก็ไม่มีบุญพอที่จะไปสวรรค์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพวกคนเหล่านี้มักจะไม่รู้สึกว่าตนเองตายเพราะฉะนั้น ความรู้สึกที่ผูกพันอยู่กับโลกมนุษย์คือผูกพันอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียหรือทรัพย์สมบัติยังมีอยู่อย่างมากมายถึงแม้จะมีโอปปาติกาบางคนมาอธิบายให้เข้าใจว่าเขาได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วคนเหล่านี้ก็จะไม่ยอมเชื่อและเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพเช่นนั้นไปจนกว่าเขาจะรู้สึกตัวและยอมรับความจริงว่า เขาเป็นบุคคลที่ตายไปจากโลกมนุษย์แล้วหลังจากนี้บุญและบาปที่มีอยู่ในสันดานก็จะทำหน้าที่ชักจูงให้เขาไปสวรรค์หรือว่าลงนรกหรือจะให้ไปอยู่ในภูมิไหนอันนี้บอกยากจนกว่าคนคนนั้นจะถึงภาวะอันนั้นเสียก่อนจึงจะบอกได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไร เท่าที่ท่านตอบมาก็มีเพียงแค่นี้แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าผู้อ่านบางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมคนที่ฆ่าคนตายบางคนจึงไปสวรรค์ได้เพื่อจะแก้ความสงสัยข้อนี้ข้าพเจ้าจะขออ้างข้อความในมหากรรมวิพังคสูตรซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่มาให้ท่านเห็นดังต่อไปนี้ มหากรรมมะวิพังคสูตรปราสูตรที่แสดงว่าคนทำบาปไม่ใช่จะตกนรกเสมอไปคนทำบุญก็ไม่ใช่จะขึ้นสวรรค์เสมอไปดูก่อนอานนบุคคลสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลมากด้วยความโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในที่นี้คืออากุศลกรรมบวชสิบนะครับบุคคลนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วยำเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรก 2. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ค่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นมิจฉาทิฐิ เมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลเป็นผู้ไม่มากไปด้วยความโลภมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในที่นี้คือกุศ ล, ลกรรมบทสิ บุคคลนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ 4. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นสมมาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาศเนรกดูก่อนอา น, น ในบุคคลเหล่านี้สําหรับบุคคลที่ฆ่าสัตว์จนถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกายแตกทาลายตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกนั้นก็เพราะเขาได้กระทําบาปอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาในครั้งก่อนหรือต่อมาในภายหลังเขาก็ได้กระทําบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือในเวลาจะตายเขาก็ยังยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิอย่างแน่นแฟน้น เขายอมสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อๆไปอีกดูก่อนอานน์สําหรับบุคคลที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เพราะในครั้งก่อนคือในชาติก่อนหรือในชาตินี้เองแต่หมายถึงครั้งก่อนที่เขาจะทําชั่ว ก็เพราะในครั้งก่อนเขาได้กระทำกุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งศุขเวทนาหรือต่อมาภายหลังเขาก็ได้กระทำกุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งศุขเวทนาหรือในเวลาจะตายเขายึดมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอย่างแน่นแฟน้นเขาย่อมสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อๆไปอีก ก่อนอานน์สำหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกายแตกทําลายตายไปแล้วเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ก็เพราะในครั้งก่อนเขาได้ทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือต่อมาภายหลังเขาได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งสุขเวทนาหรือเวลาจะตาย เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในสมาทิฐิอย่างแน่นแฟ้นเขาย่อมสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อๆไปอีกดูก่อนอานนท์สำหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นสมมาทิฐิเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ก็เพราะในครั้งก่อนเขาได้กระทำบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือต่อมาในภายหลังเขาได้กระทำบาปกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือในเวลาที่จะตายเขายึดมั่นอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างแน่นแฟน้นเพราะบาปกรรมอันนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วเขาจึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนรก เขายอมสวยวิบากของกรรมนั้นในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อๆไปหรือในชาติต่อๆไปอีกหมายเหตุผู้อ่านขอสรุปสั้นๆให้ฟังดังนี้นะครับคนทำบาปตายแล้วก็อาจไปสุคติได้ถ้าบุญเก่าในอดีตหรือบุญใหม่ที่ทำภายหลังการทำบาปนั้น มีกำลังมากกว่าหรือก่อนตายเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในสมาธิฐิอย่างแน่นแฟ้นก็ส่งผลให้ไปสุคติได้ส่วนคนดีทำบุญหากมีบาปเก่าในอดีตและบาปใหม่ในภายหลังหรือขณะตายเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในมิจฉาทิฐิอย่างแน่นแฟ้นก็ส่งผลให้ไปทุคติได้ซึ่งคนตายแล้วจะไปดีไปร้ายนั้น มีตัวแปรสาคัญหลายอย่างที่สาคัญที่สุดก็คือจิตก่อนตายซึ่งต้องอบรมและสะสมคุณสมบัติต่างๆต้องอาศัยการศึกษาปฏิบัติกันมาทั้งชีวิตไม่ใช่ว่าจะมาบังคับจิตก่อนตายให้เป็นสุขผ่องใสหรือยึดมั่นในสมาธิที่ได้แน่นแฟ้นจริงนั้นในเวลาแค่ไม่กี่วันหรือแค่ไม่กี่นาทีนะครับ